สัพพสาธารณาเจตสิกเจตสิกที่ต้องเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะและดับพร้อมกับจิตทุกขณะข้อที่6ชีวิตตินสีความมีชีวิตข้อนี้หมายความว่าเมื่อคนเรายัางเดินได้พูดได้เคลื่อนไหวได้อ ว, วัยวะต่างๆในร่างกายยังคงทำงานประสานกันอยู่ทุกขณะก็แปลว่าร่างกายยังมีชีวิตถ้าสันตติคือการสืบต่อหยุดลงเมื่อไหร่ ก็แปลว่าตายเมื่อนั้นเช่นการเต้นของหัวใจซึ่งมันก็มีการเกิดดับและเกิดม่อยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่ามันหยุดคือในจังหวะต่อมามันไม่เต้นอีกจนกระทั่งสัน ต, ติขาดคือความเป็นระเบียบหรือจังหวะอันสม่ำเสมอของมันเกิดขาดตอนหยุดไปโดยไม่ตั้งต้นขึ้นมาอีกก็แปลว่าตายแน่ข้อนี้ฉันใด ในด้านนามธรรมมันก็มีชีวิตเหมือนกันคือความเป็นไปต่างๆของมันจะมีการสืบต่อกันไปโดยไม่ขาดสายถ้าหากมันหยุดหรือสันตติขาดก็แปลว่ามันตายแต่โดยธรรมดาถ้าคนเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตในด้านนามธรรมจะสืบต่ออยู่เสมอมันจะหยุดจริงๆชั่วระยะหนึ่งก็ในเวลาที่วิญ ญ, ญาณจุติคือตายหรือเคลื่อนจากภพเก่าเท่านั้น แต่แล้วมันก็ตั้งต้งตนใหม่อีกซึ่งช่วงที่ห่างกันก็มีอยู่เพียงช่วขณะจิตเดียวเท่านั้นถ้าจะพูดอีกในยาหนึ่งก็แปลว่าชีวิตของนามธรรมไม่เคยมีการตายเลยนอกจากจะบรรลุถึงนิพพานเท่านั้นทุกขณะที่วิญญาณเกิดก็แปลว่ามันมีชีวิตอยู่ด้วยและความมีชีวิตของนามธรรมนี่เองที่ทำให้ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ได้เรื่อย